เมื่อเราจะมาพิจารณาในธรรมะเราก็จะเห็นแจ้งชัดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเมื่อจิตของเรามีความสงบเรามาพิจารณาก็จะทราบชัดเจนด้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา สิ่งที่เรามองไม่เห็นชัดนั้นคือความเปนั่นที่จังความไม่เที่ยงเนี่ยนะสิ่งใดที่บังความไม่เที่ยงเอาไว้ความสืบต่อหรือว่าสันตติความสืบต่อบังความไม่เที่ยงเอาไว้มื่อมให้ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ลมให้ใจออกก็ดับไปแต่เมื่อให้ใจเข้าอีกนั่นะก็คือการสืบต่อมีอยู่นะ แล้วจึงเห็นไม่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทุกเวลาทุกวินาทีนาทีนั่นแหละหรือเมื่อเรานั่งอยู่นานๆแล้วก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์หรือว่าทุกข์ขังเป็นทุกข์หรือว่ามันทนไม่ได้แล้ว <c oughs> เราก็ต้องเปลี่ยนอริยบทนะเปลี่ยนอริยบท การเปลี่ยนอริยบทนี้แหละมันบังความทุกข์เอาไว้เราไม่เห็นถ้าเราจะพิจารณาความทุกข์ก็ให้นั่งนา น, านจะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ยืนน า, นานก็เป็นทุกข์นอนน า, นานก็เป็นทุกข์นั่งน า, นานก็เป็นทุกขนะ์อาศัยการเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะ่ะจึงแก้ไขทุกข์ไปได้ชั่วคราวเป็นการที่จะล่อนทุกข์ลงไป ถ้าเราไม่พิจารณาก็นึกว่าร่างกายนี้เป็นความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นทุกขังนะเป็นทุกขังหรือเมื่อร่างกายนี้มันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่คือธาตุ ด, ดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันยังประชุมรวมกันอยู่ได้นะโดยการปรับสภาพของการทํางานของร่างกายร่างกายก็เกิดความสมดุลแต่ถ้าร่างกายนี้เนี่ย มันไม่สมดุลแล้วเมื่อเราได้น้ำมากๆเกินไปร่างกายขับน้าไม่ออกนะก็จะบวมขึ้นมาได้ตามมือตามเท้าตามลาตัวตามหน้าเนี่ยก็จะมีอาการบวมขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะวัฏาจาัในร่างกายมันไม่สามารถจะทำงานได้ไม่สามารถจะดูดซึมเมน้ำกลับเข้าไปอยู่ในระบบร่างกายได้เหมือนเดิมน้มก็เสื่อมไปเมื่อเป็นมากๆเข้าไตาก็เสื่อมไปแล้ว มานไตาเสื่อมไปมกับบวมได้นะบวมไปทั้งร่างกายแล้วก็ต้องมีการล้างไตยอย่างนี้เป็นต้นถ้าล้างไปที่สุดแล้วล้างไม่ไหวแล้วร่างกายก็ถึงการแตกสลายแตกดับหรือว่าร่างกายนี้เมื่อเราประทานอาหารลงไปถ้ากระเพาะเราปกติก็มีการดูดซึมได้ดีถ้ากระเพาะเรามันเสียไปแล้วบางส่วนการดูดซึมอาหารก็ได้น้อยลงไปรวมถึงระบบลาไส้ก็เหมือนกัน ถ้าลำไส้ของเรามันปกติดีการระบบการดูดซึมขับถ่ายก็ปกติแต่ถ้ามันเสื่อมไปแล้วการดูดซึมก็ดีการขับถ่ายก็ผิดปกติก็มันไม่เที่ยงนั่นเองมันเริ่มเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันก็แตกสลายไปนะแตกสลายไปอวัยวะน้อยใหญ่ก็ทางานก็มีระบบที่สัมพันธ์กันตลอดเวลาแต่เมื่อ หัวใจนี้มันมีปัญหานะการเต้นของหัวใจมีปัญหาลิ้นหัวใจมีปัญหาเส้นเลือดอุดตันขึ้นมาแล้วมันระบบมันก็จะเปลี่ยนลงไปแล้จะทําให้ปอดก็ไม่ดีนะตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีมันจะมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆคือระบบา่าทั้ง4ไม่สมดุลกันขึ้นมาแล้วก็เกิดโรค ก, ก็ต้องอาศัยยารักษาแก้ไข ยาสมุนไพรต่างๆก็ดีในยาสมุนไพรที่สกัดมาแล้วเป็นเคมีก็ดีนะก็รักษาเยียวยากันไปนะตามสภาพที่จะทำได้แต่ใ น, นที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายไปนะคนที่เกิดขึ้นมานั่นจะเป็นคนไข้เขาตายคนที่ไปเยี่ยมก็ตายเออหมอที่รักษาก็ดีก็ตายโรงพยาบาลที่ดูแลก็ตายสรุปแล้วคนที่เกิดขึ้นมาไม่ตายไม่มี นะไม่ตายไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าในพะวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถอนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะพระพุทธเจ้าตัดเป็นประชิมโอวัชครั้งสุดท้ายทีเดียวนะนท่านตถาเนปิคเวอามันติยามิโวนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนะบัดนี้ท่านทั้งหลายนะจงยังความไม่ประมาทเนี่ยให้ถึงพร้อมเถิด แล้วก็เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของพระธถราโคเจ้าเพราะสังขารเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปนะเป็นธรรมดาอย่างนี้แม้ว่าสังขารกายสังขารขององค์สมเด็จพระศ า, าสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน่พระองค์นะ่ะเป็นนะบุคคลนะเป็นมนุษย์ที่เลิศที่สุดแล้วนะสามารถที่จะมีปัญญาตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เอง จิตหมดจากกิเลสเครื่องเส้าหมองทั้งหลายนะแต่พระองค์ก็มีพระชนมายุนะปปีแต่80ปีของพระองค์นั้นยังประโยชน์ใหญ่หลวงนะในมนุษย์โลกเทวโลกพมโลกทั้งหลายในไตรลกธาตุนี้เกิดประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวถ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่มาตรสรู้แล้วนะเราก็ไม่รู้จักคุณทางในการปฏิบัติเหมือนคนตาบอด เดินไปในที่ต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศไหนต้องได้รับความลําบากในที่สุดก็จะต้องตายแน่นอนในพระองค์เนี่ยเป็นดวงตาของโลกส่องสว่างนะปัญญาสั่งสอนเมนตาสัตว์ทั้งหลายนะจนว่าพวกเราก็สามารถนับธรรมะไดนะ้จากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์สาวกอาาระรสาวกที่สืบต่อกันมานะจนถึงปัจจุบันนี่คือพระมาร ก, การุณาทิคุณของพระองค์ที่มีความเมตตา ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระปัญญาคุณของพระองค์ น, ะนี่ยนัตถิสามารถเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุเทเฉทปปพหันแต่ว่ากายสังขันของพระองค์นี้ก็เป็นไปนตามหลักของธรรมชาติที่ว่าเป็นอนัตจังทุกขังและก็เป็นอนัตตาแต่พระองค์นั้นเป็นการเสด็จดับขันปรินิพานคือดับขันห้านี้ลงได้แล้วแล้วจิตก็ปรินิพานโดยรอบแล้วนะไม่มีการเป็นว่ายตายเกิดอีก แต่นคนเราเกิดขึ้นมาก็มีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็มาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แหละเมื่อขันห้านี้มันประชุมรวมกันนะตั้งแต่ว่าอยู่ในท้องในครันจนก็เป็นเกิดขึ้นมานะแต่ใ น, นที่สุดขันห้านี้เมื่อมันจเจริญเต็มที่แล้วมันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปในสุดก็แตกสลายแต่ว่าขันนี้แตกสลายลงไปนะตัวจิตเองล่ะ ตัวจิตเองนี้ยังไม่แตกสลายยังเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมเ่อ ม, มีกรรมดีก็ไปเกิดในภพดีกรรมไม่ดีก็ไปเกิดในภพที่ไม่ดีน้ำเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏะทุกข์รอีกนะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนการเกิดทุกภพทุกชาติก็เป็นทุกอยู่ล่าไปแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็นับภพบนับชาติไม่ท้วนที่จะเกิดไปข้างหน้าอีกถ้ายังมีอวิชชาทันหาอุปทานอีกก็ยังยาวนานมาก ไม่รู้ว่าจะจบลงสิ้นลงไปพบสุดท้ายเมื่อไรถ้าเราไม่ปฏิบัตินะในทานในศีลในภาวนานี้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนพระพเจ้าพระ อ, องค์จึงสอนให้เราเนี่ยมาเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีนะคือว่าระบาปบาเพ็ญบุญทำจิตใจให้ใหผ่องใสนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพเจ้าจึงตัดสอนหมดละ การสร้างความดีการให้ทานก็เป็นมงคลของชีวิตการรักษาศีลก็เป็นมงคลของชีวิตนะหรือเราคิดพิจารณาว่าการที่เราเกิดขึ้นมานี้นะการที่เราเกิดขึ้นมาจนเติบใหญ่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดมาได้ก็อาศัยคุณของวิดาคุณของบรรดานะที่ท่านให้กําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ให้การเลี้ยงดูให้การศึกษานะแก่เรา ตั้งแต่เราอยู่ในท้องตั้งแต่เราตัวเล็กๆขึ้นมานี่แหละนะจนเราเจริญวัยขึ้นมาท่านก็ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเนะี่ยมีชีวิตอยู่ได้ให้เรามีความสมบูรณ์นะบุคคลที่มีคุณกับเรานะั่นแหะนะเหมือนกับพระอรหันต์ก็คือบิดามารดาของเราเนะี่ยพระเจ้าตรัสว่านะคนของท่านเหมือนกับพระอรหันต์ทีเดียวท่านเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้าน เป็นพระที่อยู่ในเรือนนะเราจะหลงลืมพระที่อยู่ในเรือนนี้ไม่ได้เรามาทำบุญทําทานกับพระที่อยู่ในวัดเราก็ได้บุญแต่เราก็จะต้องทำบุญกับพระที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราก็คือบิดามารดานั่นเองที่ท่านเป็นบุพการีชนผู้ทิ้งผู้ซึ่งนะทำคุณกับเราแล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยแม้แต่น้อยนะเราเป็นบุตรนั้น ก็ควรมีกตัญญูกตวเวทิตารู้จากคุณของท่านที่ท่านทําแล้วนะก็ทำตอบท่านเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ได้เออพ่อแม่เลี้ยงลูกมาหลายหๆคนจนเติบใหญ่ได้เราเป็นโลกหรือ ล, ลูกหลายคนต้องช่วยกันเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้นะเลี้ยงท่านเมื่อยามที่ท่านเลี้ยงชีพิธท่านเองไม่ได้เราก็เลี้ยงด้วยปัจจัยสี่จะเป็นอาหารก็ดี เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก, ก็ดียามท่านเจ็บยามท่านป่วยก็ต้องดูแลในการรักษาพยาบาลนะให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่เรามีกำลังอยู่เมื่อเราทำได้ดีอย่างนี้นะเว่าเราเระลึกถึงคุณของท่านแล้วทำตอบแทนก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกบุคคลที่หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าหนึ่งบุพรกริชน สกัตันยูกตวเวทีนะทำสองข้อนี้นะหาได้ยากในโลกบุคคลใดมีทำทั้งสองข้อนี้ละนะก็เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่หาได้ยากในโลกนี้เพราะคนในโลกเนี่ยเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็หวังผลตอบแทนอั่งนั้นแต่บุพการีชนของเราบิดามดามไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเรานะไม่แต่น้อยบุตรเมื่อรู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณของท่านก็หายาก นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่เกิดขึ้นมานะเราก็โตใหญ่จนเรามีการศึกษานะมาแล้วเรียนจบมาแล้วมีการศึกษามีหน้าที่การงานเราควรระลึกถึงคุณนะของบิดามารดาของเราทุกวันว่าท่านนะเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบท่านได้สร้างความดีกันเอาไว้ให้การศึกษาให้ปัญญาเราก็ต้องพยายามให้การศึกษา ในด้านปัญญาสติปัญญาในด้านธรรมะแก่ท่านออถึงเราจะเลี้ยงท่านได้ดีอย่างไรท่านได้ฝ่ายธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกไว้ว่าแม้เราจะอุปถากรวิธรรดาดีอย่างไรก็ตามจนว่าถึงเอาท่านขึ้นบา่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะออไม่ให้ท่านต้องขาโต้บุบพองเลยอย่างนี้แต่ว่าพ่อแม่ของเราไม่มีศีลแนะนําให้ท่านมีศีลพ่อแม่ของเราไม่มีทาน นะยังไม่ได้ใส่บาตรเราแนะนําให้ท่านรู้จักในการใส่บาตรพ่อแม่ไม่ต้องการฟังธรรมะเราก็แนะนําให้ท่านฟังธรรมะนะพ่อแม่เรานั้นยังไม่มีศีลเราก็นแนะนําให้มีศีลอย่างนี้เป็นต้นแนะนําให้ท่านมีสมาธิแนะนําให้ท่านมีปัญญาคือมีจิตใจที่มีธรรมะองค์สมเด็จพระ ส, ะสาสด า, าสมมาสัพพะเจ้าตรัสว่าอันนี้นะเป็นของที่เลือที่สุดคือแนะนําให้ท่าน ได้สร้างความดีนะให้ทานมีศีลมีการสร้างความดีมีปัญญานีมีการภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสอนให้ท่านบริกรรมภาวนาพุทธโธทําให้จิตของท่านมีความสงบนะระลึกอยู่เสมอว่าพุทธโธให้ใจนี่อยู่กับพุทธโธเมื่อร่ารงกายนี่มันจะแตกสลายไปแล้วก็ตามก็ให้ระลึกถึงคําพุทธโธให้ไปอยู่กับพุทธโธได้อยู่กับพระพุทธเจ้า อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมภาวนาเมื่ออยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการ บ, บริกรรมภาวนาพุทธโธแล้วใจก็ผ่องใสใจก็เป็นบุญสุขติก็เป็นอันหวังได้แต่เมื่อระลึกถึงพุทธโธแล้วใจนั้นมีพุทธโธอยู่แล้วในใจพิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนอริยจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดแจ้งเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจจนว่ารกักเลเอได้หมดเป็นสมเฉธิปะหานั่นจใจถึงจะเป็นพุทธะ พดโถได้นะเต็มดวงใจในเบื้องต้นนั้นเราก็ต้องสอนมีดามดาหรือว่าแนะนำด้วยอุบายวิธีต่างๆที่ดีให้ท่านนั้นนะเป็นผู้ที่มีทานมีศีลมีการภาวนาเพราะฉะนั้นกา ร, รอุปสมบทก็ดีเข้ามาแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณของบิดามดาอย่างหนึ่งก็คือการนำเออเอาตัวเรานี่แหละมาประพฤติปฏิบัตินะให้ดี ให้มีสท่านมิศินมีภาวนาสมควรกับที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบประพฤติปฏิบัติให้ดีมีสินธรรมท่านก็จะรู้สึกว่ามีปิติใจมีความสุขใจมีความอิ่มใจนะใจของท่านก็จะเป็นสวรรค์นะในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละกายเป็นมนุษย์นะแต่ว่าใจนี้เป็นเทวดาก็เรียกว่ามนุษสาเทโวนะกายเป็นมนุษย์ลนะแต่ว่าใจก็เป็นเทวดามีความอิ่มใจสุขใจในความดี ในบุญเกุศลที่ลูกหลานได้เข้ามาบั น, บนประชาอุปสมบทในพุทธศาสนาก็เป็นการแสดงออกเส่งความกัตัญญูกตวเวทิตาต่อบิดามารดาบังเกิดเก้าของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตัดเรื่องมงคลสูตรนะตัดเรื่องมงคลสูตรนะที่วัดมหาเชตวันมหาวิหารนั่นแหละนะที่กรุงสาวัตถีนูน้นนะประเทศอินเดียในปัจจุบันนะั่นแหะ องค์นะก็ได้ตัดเรื่องของมงคลสูตรว่าบุนคคลที่มีกระตาโยกตเวทิตาต่อบิดามันดาผู้มีคุณแล้วนะรู้จักคุณท่านแล้วทำตอบแทนนั่นนะรู้จากอุปถากบิดามัรดารออกมาตาบิตุอุปถานังโมตฐานรัสสสังกะโหการส่องข้อบุตรก็ดีก็เป็นมงคลการอุปถากบรรดาบิด า, น, ด า, ดานะด้วยนะ ปัจจัยสทั้งหลายก็เป็นมงคลของชีวิตการอุปถัมภ์บิดามัรดาการโดยการแนะนําในการธรรมะก็ยิ่งเป็นของที่เลือดที่สุดนะในชีวิตของเราที่เราจะตอบแทนบิดามันดาของเราได้นะบุตรเมื่อทําหน้าที่นี้บุตรคนนั้นแหละนะก็จะมีมงคลของชีวิตในจิตใจเป็นผู้บุคคลที่หาได้ยากในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะสแสวงหา วัตถุสิ่งของที่มันหาได้ยากในโลกกันทั้งนั้นเลยมีราคามากมายเช่นเราสสแสวงหาเงินทองในโลกเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนได้อหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเนี้ยจะมีราคามากหรือสแสวงหาออทองคําแสวงหาเพชรรัตนะในโลกนี้นะที่มีราคาว่าของราคามากๆนะเราก็จะได้มีความสุขในการที่มีวัตถุในโลกมากๆ แต่ว่าเราจะคิดไหมว่าในด้านของธรรมะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ารัตนะใดในโลกนี้จะเสมอด้วยพุทธรัตนาไม่มีเลยนะไม่มีเลยจะเสมอด้วยผู้พุทธรัตนะธรรมลัตนาสังครัตตนาไม่มีเลยนะบันทีเมสรังอัญญ์พุทโธเมสรังวัลังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมหตุสัพพทานะก็คือพรลัตนะใดในโลกนี้เนี่ยจะเสมอด้วยพุทธรัต น, นตนะ ทำรัตนะสังรัตนะไม่มีพระพุทธรัตนะทำรัตนะสังรัตนะนั้นเป็นรัตนะนที่เลิ่ที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นรัตนะที่จะเลื่ที่สุดนี้เราต้องแสวงหาแล้วนะอย่างว่าเราแสวงหาทำรัตนะให้ใจของเรามีธรรมะให้ใจของเรามีกตัญญูกตเวทิตาใจของเราก็คือมีธรรมะแล้วก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเราจะหาของอะไรในโลกเนี่ยมันจะเลื่เลยนะเท่าธรรมะนี่ไม่มีเลย เพราะว่าสิ่งของภายนอกนั้นถ้าราหบามาได้ถ้าใจยังโลภอยู่นะมิจัยความโลภแล้วใจก็เมื่อิดปิ ด, บ, ดบังไปเรื่อยนําทรัพย์นั้นมาไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษขึ้นไปอีกแต่ผู้ที่มีปัญญาถ้ามีทรัพย์มากก็ น, นําทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์แก่โรคนี้โดยการบริจาคให้ทานทําบุญนะเช่นท่านานาถเป็นนักกษเศรษฐีนางวิสาขาหมหาบสิกาเป็นหมหาบาสกแล้วมหาบสิกานะ ผู้หนึ่งของพระพุทศาสนาที่แม้จะมีทรัพย์มากมายแต่ว่าทรัพย์ที่มีศรัทธานั้นมั่นคงในพุทธศาสนานะมั่นคงในการสร้างคุณงามความดีในการให้ทานในการสมทานศีลทีเดียวในการฟังธรรมนะี่ท่านส่งข้อบุตรของท่านได้ดีทีเดียวท่านอนาถาเปศนกาวเศรษฐีส่งข้อบุตรให้บุตรของท่านไปฟังธรรมโดยการจ้างนะจ้างให้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่ไม่กี่ครั้งหรอกบุตรของท่านมีบรารมี เออนที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพัสดดาบันไม่รับค่าจ้างจากบิดาแล้วนี่การส่งข้อบุตรด้วยการให้มีธรรมะนะก็เป็นมงคลของชีวิตบุตรเมื่อรู้จากที่ว่าท่านได้ส่งข้อแกเราแล้วตอบแทนในคนของท่านอย่างนี้ก็จะเป็นมงคลของชีวิตเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อท่านยังบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นบ ร, รมโพิพสัต์พระสุรณสามก็เลี้ยงดูบิดามารดา ของท่านด้วยดีทีเดียวแม้ว่าบิดาบรดาจะตาบอดนะท่านก็นเลี้ยงดูได้อย่างดีพบิดามาดาของท่านมีศีลไม่ประสงค์ที่จะมีบุตรแต่ว่าบรมบุริสสัตเจ้าก็เลือกจะลงสู่คันนะของบรรดาของพระบรมบุริสสัตแล้วเมื่อท่านถูกเนื้อต้องตัวก็เท่านั้นเองนะก็ตั้งท้องได้ในสุดแล้วบรมบุริสสัตก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ นมีพระชวีวันรดงามดุจทองคำก็เรียกว่าพระสุวรรณแปลว่าทองคำนะพระสุวรรณทสามเมื่อพระราชาไปประพาสในป่าก็ได้เห็นนีอ่อะไรทาไมสัตว์นี้ทำไมมันงดงามอย่างนี้ไม่เคยเห็นก็ยิงด้วยธนูนั่นแหละนะก็เรียกว่าถึงแก่ความตายไปเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ตายไปทีเดียวนะเพราะว่าองค์นั้นมีบุญญาธิการมาเกิดแล้วเป็นบรมบริษัทมีบารมีเต็มมาเกิด เป็นชาติที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นเมตตาบารมีนะแต่ขณะที่ขึ้นจากการตักน้ําลืมเจริญเมตตาไปชั่วครู่เดียวอาวุธนั้นธนูนั้นจึงทํำไร้ายได้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงโกรธไม่ได้ทรงกลัวกษัตริย์เลยนะต้องคิดว่าอย่ามาทํำร้ายเราทําไมเรามีพ่อแม่ทิตฐาบอดนี่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นให้นําเราไปเนี่ยพยาาพ่อแม่ทิตฐาบอดของเราก่อนนะเราจากไปแล้วพ่อแม่เรานี้ จะลำบากมากทีเดียวนะเมื่อพระราชานําเอามิดาวมันดาเนี่ย น, นะนะของพระสุวรรณสามมาถึงแล้วเออพระสุวรรณสาม น, าานี่ท่านอธิฐานจิตอธิษฐานจนิตบารมีของท่านลูกธนูที่มียาพิษนี่ยออกไปยาพิษขับออกไปได้นะท่านก็ไม่เสียชีวิตมีดาวมนดาของท่านอานติตาบอดท่านอธิฐานบารมีอีกตากข้า ส, สว่างสวยขึ้นมาหายจากตาบอดนั้นได้นี่ด้วยบุญญาบารมี ที่พระองค์นะ่ะได้เสียสละได้ทำทานมาได้ทำทานโดยปกติได้ทำทานโดยที่นะเป็นอุปรบรมีปรมาทบรมีเสียสละดวงตาเสียสละชีวิตมามากทีเดียวท่านก็มีเป็นผู้เลิ่นในกาตัญญูกตเวทีต่อบิดามันดาของท่านมากทีเดียวนะนี่บรมพริษัทเจ้าทุกภพทุกชาติท่านเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตา ต่อปีดาบันดาของท่านมาโดยตลอดนะเมื่อพระองค์เนี่ยได้มาตัดสูดแล้วเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุโธทนะในที่สุดพระเจ้าสุโธทนะก็ได้พระนาคามีก่อนที่ท่านจะสิ้นหลมไปท่านได้ฐา น, ฐานจิตไม่มีเวทนาเกิดขึ้นกับพระเจ้าสุโธทนะเลยนางเวทนาทั้งหลายหายปิดทิ้งไปพระเจ้าสุโธทนะพิจารณาแล้วในธรรมะก็บรรลุเป็นพระหรหัน์ สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั่นเรียวกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีกระตันอยู่ต่อบิดามารดาของท่านมารดาของท่านเสด็จขึ้นไปสวรรคตไปแล้วอยู่ที่ชั้นดุสิตพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดสอนอยู่ที่ดาวดึงเทวโลกนั้นน่ะเทศโปดวดได้รปทำเจ็ดคำพีนะถึงหนึ่งไตม่าสามเดือนไปทรงจำพรสาที่ดาวดึงเทวโลกจนพุทธมารดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดา บัณบุตคลทีเดียวนี่พระองค์ก็ทําหน้าที่ของท่านได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะในการที่โปรดพรยุยาโปรดพระบิดาบรรดาพุทธบิดาพุทธบรรดาเป็นตัวอย่างอดีแก่พวกเราเป็นชาวพุทธว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์สอนให้เรามีการอยู่กตเวทิตาต่อบิดาบรรดาของเราเราก็ต้องมาคิดว่าในชีวิตของเราได้เกิดขึ้นมานี้เออเราทําความดีอะไรบ้าง ที่ตอบแทนคุณของบิดามารดาพอหรือยังพูดถึงว่าในทางพุทธศาสนานะถ้าเราจะตอบแทนคุณของบิดามารดาได้หมดนั้นเราต้องปฏิบัติจิตของเราให้บริรุธเสื่งคุณธรรมคือพระโสดาบันนะหากจิตของเราบริรุธเสื่งพระโสดาบันนั้นอ่ะเราได้ตอบแทนคุณของบิดามารดาได้หมดแล้วตอบแทนที่ท่านเลี้ยงดูเรามาได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเราเห็นธรรมความเป็นจริงแล้วว่า ร่างกายนี้เป็นท่าสี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงเมื่อเรายังมีตัวเราอยู่ความรู้สึกว่ามีเราอยู่นั้นคุณของบิดามารดานั้นนะเรายังตอบแทนไม่หมดแต่ผู้ที่บรรลุพระโวสดาบันขึ้นไปแล้วนะรู้แล้วว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าเรานี้อาศัยร่างกายนี้ของบิดามารดามาเกิดเราจึงได้มาพิจารณาในร่างกายนี้เห็นชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาก็อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าท่าที่ท่านได้สั่งสอนแล้วเราประพฤติปฏิบัติในทานในศีลในสมาธิปัญญาภาวนาเนี่ยจนรู้เห็นชัดแล้วปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราได้โอ้เห็นชัดแจ้งอย่างนี้นะนี่ ว, ว่ามีพระพุทธเจ้ามีพุทธะอยู่ในใจยิ่งเห็นพระพุทธเจ้ามีพุทธะอยู่ในใจยิ่งเห็นคุณของเวทามัรดานั้นมากมายทีเดียว นะหาประมาณไม่ได้ในว่าคุณของท่านหาประมาณไม่ได้ที่ให้โอกาสที่เรามาเกิดถือกําเนิดเกิดมานะได้หลังกายเป็นมนุษย์แล้วเราจิตของเราที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พิจารณาธรรมจนรู้ทำเห็นธรรมเช่นนี้ก็ใส่คุณของท่านเราถึงได้นะมีโอกาสได้มาเห็นธรรมะพระศาสิบุตรเระเจ้าก็ระลึกถึงคุณของบิดามารดาอย่างนี้ในครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะ นิพพานท่านก็ได้ราองค์สมเด็จพระศ า, าสดาทูลราองค์สมเด็จพระศาสดาพระสมบัติของเจ้ากลับไปนิพพานที่บ้านเกิดในห้องที่ท่านได้กำเนิดเกิดขึ้นมาโยมแม่ของท่านก็ดีใจเนื้อพ่อรุกของท่านจะมาศึกษนะนัดจะได้มาอยู่กับเรานี่นะเพราะมีลูกกี่คนกี่คนก็ออกไปบวชหมดเลยไม่ชอบในพระพุทธศาสนานะแต่เมื่อพระสาริบวชกลับขึ้นมาแล้วอั น, นีสุดโยมแม่ของท่านก็มีจิต ใจเลื่อมใสในพุทศาสนาเพราะสิ่งที่ท่านเคารพนับถืออยู่นั้นน่ะก็คือท่านเท้าจะตุ่มหาราชิกานะองค์พระอมรินองค์พระพรมเท้ามหาพรมท่านก็นับถือเทวดาเรียกว่าเป็นเทวดานุนสติจเจริญระลึกถึงคุณของเทวดาเป็นประจำนั่นน่ะเป็นกรรมาฐานอยู่แล้วนะจนจิตของท่านสงบอยู่แล้วน่ะใกล้ที่จะเห็นธรร ม, มแล้วนะเมื่อท่านเห็นว่าเทวดาทั้งหลาย มีท่านเท้าเจตุมหาราชิกาขดีเทวดาน้อยใหญ่ที่มีศักมากศักน้อยกลัมากราบราองคพระสารีบุตอรอรหันตสาวกเบื้องขวาด้านสติปัญญาธรรมะเสนาบดีของพระบิดาเจ้าของเรานะตอจนองค์อภรรินนั้นก็มากราบราองพระสารีบุตรในที่สุดเท้ามหาพรหมเท้ามหาพระพรหมเท้ามหาพรหมก็ลงมาแสงสว่างรุ่งเรืองสว่างสวยัยไปมากทีเดียวเป็นอัศจรรย์ เหตุทิพย์เกิดขึ้นมาในบ้านของท่านนะ่ะนะยศแม่ของท่านก็เห็นแสงสว่างรุ่งเรืองก็สอบถามพระสารีบุตรว่าแสงสว่างรุ่งเรืองนี้เกิดขึ้นจากอะไรเป็นใครองค์พระสารีบุตรองค์ธรรมเสนาบดีก็ตอบนะว่านะเทวดาน้อยใหญ่นะได้มากับนะกับท่านแม่ของท่านก็เพิ่มปิติขึ้นเรื่อยเโอ้ลูกของเรานี้มีบุญมากกว่าเทวดาน้อยใหญ่อีกหรือนะก็ระความ ที่ยึดถือเทวดาก็มาศรัท ธ, ธาในพระาสด็จพระสารีบุตรเรื่อยมาจนถึงเท้าเจตุมหาราชกาโอ้ท่านเท้าเจตุมหาราชกาก็ยังมากราบลูกเราหรือมาลาลูกเรานะเออก็ศรัท ธ, ธามากขึ้นมาขึ้นจนถึงองค์อมรินโยแม่ของท่านก็ศรัท ธ, ธามากขึ้นมาองค์อมรินเป็นใหญ่นะนะได้มาเยี่ยมลูกเราอีกโอ้โยแม่งท่านก็ปลื้มใจปิติสุขเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมามากขึ้นมาก ข, ขึ้นเลยนะ องพระพรมก็มากราบแสงสว่างก็มาคณิกองคท้ามหาพรมที่ท่านแม่วาสานิบุตรเนี่ยนับถือมากที่สุดแล้วนะยังมากราบภาษาลิบุตรมาครพภาษาลิบุตรเท่านั้นโยแม่ของท่านก็เรียกว่าเพิ่มใจจิตเป็นมีความสงบแนบแน่นเป็นสมาธิแล้วคราวนี้เป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวแล้วศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนะศรัทธาในพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขึ้นมาเต็มหัวใจของท่านทีเดียว พระ菩รได้บทสอนธรรมะให้โยมแม่เนีพิจารณาเึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในของสังขารขึ้นมาโยมแม่ของท่านก็ได้พระโสดาบันบุคคลเนีพระองค์พระ菩萨ดุษฎีรัชย์เจ้าธรรมะเสนาบดีก็ตอบแทนคุณของยึดของแม่ท่านได้หมดทีเดียวพระท่านก็สอนนาัสาุสิณศึกของท่านได้รู้เป็นพระโสดาสกท า, าคาอนาคาพระอรหันต์จํานวนมากเลยแต่โยมแม่ของท่านเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะรับท่านก็ได้มาปโปรดในยามสุดท้าย แล้วท่านก็ได้นิพพานนะท่านก็ได้นิพพานที่บ้านของโยมแม่ของท่านในห้องที่ท่านได้เคยเกิดขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอดีตของพระอักรส า, าวกเมื้องขวาธรรมะเสนาบดีผู้ซึ่งมีกรตันญูกรตวเวทีต่อมารดาของท่านพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดขึ้นมาแล้วพบกับพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระศ า, าสดาตาระองค์นั้นจะมาตัสรู้นะจะมาตัสรู้ไม่ได้ของง่ายแตาราภะองค์จะมาตัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขอ ง, ง่ายเลยทีเดียวเมื่อเรามีโอกาสมาพบกับสิ่งที่นะมันล้ำค่าเหนือสิ่งที่ล้ำค่าใดๆในโลกนี้นะคือพระพุทธรัตนธรรมรัตนะสังรัตนเะมาถึงมารานี้แล้วเราใหญ่ที่จะปล่อยเวลาให้ร่วงเลยไปทําไมไม่รีบสร้างคุณงามความดี เพราะชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปเช่นว่าคนเรานั้นถ้าอายุ80ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหรนะ่ชีวิตของเราก็สั้นไปสั้นไปถ้าอายุเราสักเจ็ดสเราก็คงจะทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วสังขารมันเสื่อมไปเสื่อมไปอยู่เสมอองค์สมเด็จพระศาสดาจึงตัดว่าสังขารนี้เนะี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะนะก็เรียกว่าสังขารทั้งหลายเนะี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, นอะไร เมื่อพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ควรที่จะต้อง เ, งเร่งรีบในการปฏิบัติทีเดียววันเคลื่อนล่วงไปล่วงใบบัด น, นี้เราทําอะไรอยู่นะพวกเรานั้นเออทำอะไรกันอยู่พวกเราได้มีทานไหมนะพวกเรามีศีลไหมมีการภาวนาไหมฝึกใจของเราให้มีจิตที่สงบหรื อ, อยังฝึกใจให้ของเราให้ยอมรับคุณงามความดีหรื อ, อยังว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายมีของแน่นอนในคืนสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระส า, าสดาจะเสด็จดับขันระเนริพานพระสงฆ์สาวกที่ยังเป็นบุรุชนอยู่ก็มีความร่ําไห้มีความร่ําไห้เศร้าโศาสกเสรรยียใจมากพระสงฆ์สาวกที่เป็นอริยชนแล้วก็มีความมีธรรมะสังเวชเกิดขึ้นในใจว่าโอ้ดวงประทีตของโลกนะกําลังจะดับไปแล้วนะ จากโลกนี้ผู้ให้แสงสว่างในไตรโลกธาตุกาลังจะดับแล้วเกิดธรรมะสังเวตขึ้นมาทีเดียวนะบอกเป็นอธิจาว า, า, าสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาในสังขารเนี่ยจะเป็นสังขารภายนอกสังขารภายในนี้มันไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา อุปาจิตวานิรุชนติหนักขันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาย่อมจะเสื่อมไปเสื่อมไปดับไปดับไปเรื่อยไปเตสังวุปะสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราระงับสังขารได้คือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเรายังมามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังมีสังขารอยู่จิตของเรายังมาอยู่ในกองสังขารอยู่แล้วนะ มันก็สังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปนะเสื่อมไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะไม่มีวันที่จะคงอยู่ได้หรอกมันจะต้องดับไปเสื่อมไปเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกที่เป็นบุตุชนธรรมดาก็ยังมีความยึดมั่นในสังขารอยู่ยังมีความรักอย่างมากมีความอะไรในองค์สมเด็จพระสัสดาจึงมีความเศร้าโศกเสียใจนะร้องไห้ลำไรลำพันมากมายทีเดียว ข้าพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันนอกจากองพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระรหันต์แล้วเป็นพระอริยบุคคลนั้นน่ะท่านก็ปองสังเวทได้แต่แม้แต่พระอานุ์นะท่านเป็นพระสวัสดาบาลบุคคลนะนะท่านทําใจไม่ได้เพราะมีความรักพระศาสดาเนี่ยไม่มีใครจะเหมือนกับพระอานุนทวัตเถระแล้วท่านรักพระศาสดามากอุปถัมภพระศาสดามาก็ทั้งหลายปีหลาย10ปี20ปีแล้วน่ะนะ สาปีนู้นะอุปถาพระสัสดามานานทีเดียวเนี่ยนะมีความรักความผูกพันกับพระศัสดามานานเพราะว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานมาสร้างบา ร, รมีมาเพื่อที่จะมาเป็นพุทธอุปถาพุทธอุปถากระเดิลไม่มีใครที่จะสามารถทําได้อย่างพระอนุนเทละนะท่านได้พระโสดาบันตั้งแต่แรกๆนู้นอะ่ะแต่ว่าคุณจะทำขั้นต่อไปท่านอย่างไม่ได้เพราะอะไรท่านต้องคอยคิด ท่านจะต้องอุปถาพระศาสดาอย่างไรนะท่านต้องคอยนึกคอยจําว่าพระศาสดานั้นอ่ะวันนี้พระองค์ไปเทศเรื่องอะไรก็จะกลับมาเทศให้พระอานุ์พระเถรละฟังพระอนุ์พระเถรละก็จะจําได้ก่อจะจําเทศพรพุทธเจ้าได้มาพระพุองไปเทศที่ไหนบ้างพระสูตรต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาจนปัจจุบันนี้ก็สายพระอานุ์เถรละนี่เองเป็นผู้ได้จดจำนะในพระสูตรที่พพุทธเจ้า เไดนะ้เพราะฉะนั้นเมื่อทําสังฆทานครั้งแรกก็ต้องรอพระอนน น, นิแหละสาเร็จเป็นพระอาหารหันตปฏิสัมพิทายานซะก่อนถึงจะทําสังฆทานได้นะหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จดับขบันธบิพารไปแล้ว3เดือนนะพระสงฆ์จะทําสังฆทานนะพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้แล้วว่าหลังจากนี้ไปนะอีก3เดือนพระอนนนจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันตตอนนั้นพระอนนนเถระนี้ยังได้เป็นแค่พระโสดาบัน พระอนุลจึงร้องไห้นะกาะประตูลองไห้เสียใจลําไรลําพันมากทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็ตัดว่ า, านอนุ์เธออย่าไปเสียใจเลยนะนะเธออีก3เดือนเธอจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เป็นดังพุทธทํามนายเป็นหนึ่งไม่มีสองเมื่ององสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นดับขันธินิพานแล้ว3เดือนหลังจากนั้นพระอนนุ์ของเราก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายาน ท่านมีความรักอะไรในพระพุทธเจ้าที่แรกท่านทาใจไม่ได้ต่อมาเมื่อท่านสําเร็จแล้วท่านก็ทําใจได้เพราะสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะวิญาณพระพุทธเจ้าของเหล่านี้แหละนะเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมะให้พวกเราเข้าใจแล้วเราต้องศึกษาและพยายามปฏิบัติเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจในธรรมะทีเดียวพระสรัททบท ธ, ธรรมเสนาบดีนี้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต แล้วถ้เป็นผู้เลิศ ท, ทางกตัญญูท่านเป็นผู้เลิศทางด้านสติปัญญาแล้วพระพุทธเจ้ายัางยกย่งองภาษาญี่ปุ่นนี้เป็นผู้เลิศทางมีความกตัญญูกตเวทีอีกทางหนึ่งด้วยเพราะยันพวกเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นชาวพุทธก็ขอให้ระลึกถึงคําสอนของพระเจ้าพระพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนที่องค์พระชินวรได้สั่งสอนเทศนาไว้ว่าการปฏิบัติบูชาการเลี้ยงดูบิดาบรรดานั้น เป็นมนุษย์ของชีวิตเมื่อเราท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบดูแลท่านยามเจ็บป่วยไข้ในที่สุดแล้วเมื่อท่านจากไปเราก็ทําบุญกุศลให้ท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในเรื่องธรรมะก็แนะนําให้ท่านท่านยังไม่มีทานก็ให้ท่านมีทานท่านไม่มีศีลก็แนะนําให้ท่านมีศีลท่านยังไม่มีการภาวนาก็แนะนําท่าน ท่านจะไม่มีปัญญาก็แนะนําให้ทันใดพิจารณาหเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้แหละเป็นการตอบแทนคนบิดามดาด้วยธรรมะเป็นของเลิศที่สุดที่พวกเราจะพึงพยายามปฏิบัติหรือทำต่อบิดามดาของเราพวกเราก็จะมีมงคลของชีวิตเมื่อพวกเรามีมงคลของชีวิตแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะมีธรรมะเมื่อเรามีธรรมะแล้วนะธรรมะที่มีในใจของเราเต็มที่แล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นเนื้อได้ปรุธธรรม ตามคำสอนของพระพเจ้าเราก็จะเห็นชัดเตมพระเจ้าในใจพระธรรมะเจ้าในใจพระสังฆะเจ้าในใจดังอนตมาบรรยายมาคอยนําไปพิจารณาให้เจริญในธรรมและเป็นผู้มีกตัญญูกตวเวทิตาต่อบิดามารดาผู้ให้กําเนิดนะั้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัสดาตัดเทศสอนให้เราปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระชษฐาบวชก็จะมีความเจริญทุกการทุกทุก่านเทิด